ฟ <c oughs> ังรมต่ออีกเราได้ฟังรพระพุทธเจ้าแสดงประทมมเทศนา <c oughs> ที่ป่าอิสิปตนะมะลึกชายาวันเมืองปราณาสี ไอ้เจแปนโจวคีทั้งห้ามาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ได้ส <c oughs> องพันห้ารอยเก้าสิบเกปีแมนวะใช่ไหมอ้า มาตั้งแต่ตัดสะลู้นะ์ะตัดสะลู้ได้เดือนกว่าในวันเพ็นเดือนหกมาแสดงทำเทศนาธรรมาจักรที่เราได้สาธยายพระสูตรเนี้ยเอเดือนกว่าเดือนหกวันเพ็ญเดือนหกถึงวันเพ็นเดือนแปด มาแสดงธรรมะที่อิสิปัตนะเราเลือกกระถายยวันในแจ่ปญจวิคีทั้งห้าฟังไม่ต่ำกว่าสอง0ันห้าร้อยเก้าสิบกว่าปีมาแล้วไม่ใช่นานถึงปานั่น <c oughs> เราทำในใจ น้อมมาหาเราก็เป็นบันนี้ของเราสัมผัสได้เดียวนี้เป็นปัญ จ, จตังคำสอนพุทธเจ้าสามารถที่สัมผัสได้เรื่องที่พระองค์ทรงสแสดงเป็นเรื่องของชีวิตเราชีวิตเราก็มีกายมีใจหายใจก็เป็นวัสูุเป็นตู้ปฏิปปุก ฟังรู้เรื่องนี่เข้าประมาณการจะแรงนี้ประมาณไม่ไม่นานไม่เหมือนกับเราท่องาอา่านมาทรมาจากสามใบสี่ใบกว่าจะท่อง้ดยเป็นเดือนแต่พระเจ้าแสดงไม่กี่นาทีตอนที่เราสวดนี่ ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ฟังทั้งภาษาบาลีภาษาอินเดียแล้วก็ฟังทั้งภาษาไทยอาจจะเป็นตัวหนังสือเป็นภาษาแต่ถ้าเรามาดูตัวเรานี้มาศึกษาตัวเรานี้ เช่น้แปลก็แปลออกไปภาษาไทยถ้าม า, า, ามดูจากตัวเราก็เป็นพระสูตรเนี่ยอ่นนัดเนี่ยมือเดียวถ้าเห็นคบว่าเห็นเนี่ยมันก็วัวกว่าแสงอีกด้วย เห็นเนี่ยมันไวกว่าแสงถ้าได้ยินเนี่ยมันเจดนานกว่าแสงสังหน่อยถ้าได้สัมผัสกันทันทีสัมผัสทันทีเช่นเราสัมผัสกับความรู้ทันทีเป็นปดจิตตังเช่นพระเจ้าสแสดงแก่ปัญจวัคคีน่ะในภาษาสัมพูด โอว่าจากพระโอษฐ์ปัญจคีก็ไม่ได้มีตำราที่ใดไม่ได้ท่องจำมาก็เอาจากชีวิตของเราที่มันมีอยู่ในที่โองแสดงไปเช่นทางการมาสขันุกาโยโคปัญจคีก็ทำมาแล้วต่อมา นอนเทีย่ยงนอนหนำอัฏถะยิมถาโยโคอัฏฐะยิมถาโยโคนอนเทีย่ยงนอนหนำการมจฉานิการโยโคอ่ อ, อนแอเกินไปไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามความพิดไหลไปตามตามหูจมูกลล่นกายใจรูปรสจินเสียง อาธากิลมุธฐานโยโคเอายิงเอาจังเอาผิดเอาถูกถ้าถูกก็ดีใจถ้าถูกก็ผิดก็เสียใจดป็นการตึงดีใจเสียใจเป็นการตึงไปทางหนึ่งเรียกว่าอาธาผิดถูกกันไป <c oughs> มัจฉิมาปฏิปทาอริสัจจัง มัชเจมาคือเป็นกลางๆให้เห็นดังที่เราปฏิบัติทำทเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเห็นเห็นกรรมัฉุกัิกาโยโคไหลไปตามอารมณ์คุ่มร้อยคุ่มดีมันดึงไปนึกว่าไปตามนึกว่าตัวตน ถ้าสุขก็เป็นตัวเป็นตนเป็นกามันสุขขันธ์เหนออายุโคถ้าทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนเห็นกายที่มันเกิดจากอาการที่เกิดกับกายนึกว่าตัวตนมันละกามถ้ามีตัวตนเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับอาการที่เกิดกับกายร้อนหนาวหิวปวดเมื่อยนั่นก็เห็น มันก็ไม่ถ้าเห็นก็เป็นมัชชิมาปฏิปทาถ้าเป็นเป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวเป็นผู้หิวเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกนั่นเรียกว่ากามถ้าเห็นถ้าเห็นเลยว่ามัชชิมาปฏิปทาเห็นแล้วก็เข้าไปเป็นกับอาการนั่นเรียว่า ปหานาตพาถึงมากวนในพานตอนนี้ถ้าหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนั่นน่ะมันอยู่ตรงเดียวกันเรียกว่าปัจจิยะสามอาการสิบสองายา่ามันจำไม่ได้ที่เราตรวจอบจะนั่งอธัปฏติ อารโณโ์ปัญญาอุทปติวิชาอุทปโโติอารโณ์ปติอันหนึ่งรู้อันหนึ่ ง, นหนงเห็นอันหนึ่งละเนี่ยในสามลักษณะนีอริยสัจจีในทุกเห็นทุกรู้แล้วตัวย่อนจากขงอุทปติเห็นแล้วเห็นไหม มันโกรธเห็นไหมไม่มีใครไม่รู้อเราโกรธมันทุกเห็นไหมมันรอดมันหนาวเห็นไหมนั่นหมายจะขุงอุทปบทิจขุงคืออะไรจะขู่คืออะไรอะคือตาตาเนื้อเห็นดวงตาไหมเห็นนี่ตาเนื้อดัดขุงตาหนย เห็นปิกมือขึ้นเห็นมันชิดไปเห็นเนี่ยจากของอุทาปิดาณังอุทาปติรู้แล้วกำหนดขึ้นทุกขึ้นหลงรู้รู้แล้ ว, ลลว ป, ปัญญาอุทาปิออกไปจากหลงจากทุกข์แล้ว นิพพานแล้วความทุกข์นิพพานนิพพานอุทมปาติอาโลโคาาตปิแสงสว่างเกิดขึ้นอะไนีน่ีแสงสว่างในความหลงไหมหรือว่ามืดไปากคงอุทป า, าติไม่ดานขณะนั้นผู้ปฏิบัติผู้เจริญสติไม่ใช่รอนะไม่ใช่ลอเลย ยานังอุทภปิจกักขุงุทภปิกําหนดรู้แล้วทุกเป็นสี่งกำหนดรู้สมุทัยเป็นการละนี่รู้ละได้แล้ว <c oughs> อย่างพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นงูเห็นแล้วรู้วงู รู้แล้วว่าง่เห็นเป็นจากขงรู้ไปว่าญาณออกไปจากจากโง่ให้ห่างไปหรืว่าปฏิปทามีบ้างในความห ล, ลงมีปฏิปทาในความหลงออกไปจากความหลงพ้นจาความหลงแล้วมีโลดพ้นแล้ว วิอะไรทุกสงฆ์ไใยนี่โลดมักมันก็มีอยู่สีแต่ว่าเหตุมันไม่ผลมีเหตุมีผลไม่เหตุมีผลเห็นงูจึงพ่นจากงูเห็นทุก็จึงพ่นจากทุกพ้นไปพ้นไปอย่างเนี้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับกายก็เห็นเนี่ยพ้นไหมมัน หลงที่กายพ้นจากความหลงที่กายไหมอันหลงที่ใจพ้นจากความหลงที่ใจไหมนี่ปฏิบัติในอริยสัจสี่วิธีคืออะไรได้ได้ทิศดีว่ามีความเห็นนันถูกตรแล้วมีเห็นก่อนที่เห็นไม่เลยมีจักขุกเห็น อะไรที่เป็นจกักรุมีสติเห็นไม่มีปิดบังอำนถา ง, นางในกายในใจเราเนี่ยมันแสดงให้เห็นอยู่เสมอเป็นผิดเป็นถูกเป็นถูกเป็นทุกข์เป็นอะไรต่างๆกิเลสพันหน้าตานาลอยแปดโชนอกจากมันเห็นที่งนี้แล้วมันก็มีจริงเกี่ยวข้องกับ พี่การเห็นเขาไปเป็นซะจนเกิดกามมาตัหาปัญหาในการมภวตัญหาตัญหาอันในภพภาวะวิภาวตัหาปัญหาป่าจากภพกามมาตัหาภาวะตัหาวิภาวตัญหาได้เจอสิ่งเหล่านี้เถอะคือเฉยใจทีเดียได้เจอสิ่งนี้คือทุกครั้งที่สจังทุกครั้ง จำไม่ได้แต่ว่าถ้าท่องเป็นภาษาบาลีอันจได้อยู่แต่ว่าจะไปมันไม่เคยไปก <c oughs> ามรมัหายางเหนียวยังมียางเสียงก็ยังไม่ยางรูป ก, ก็ยังมียางลถกิน ไม่อย่างมันติดนะภาวะตัณหาก็เป็นไปตามที่มันมันมีอย่างก็เป็นไปตามระภาวะภวะตัณหาถ้าสุขก็เป็นผู้สุขภาวะถ้าทุกข์เป็นผู้ทุกข์ภาวะถ้ารักเป็นผู้รักถ้าโกรธก็เป็นผู้โกรธพอใจไม่พอใจ ว่ามีพบแล้ว ว, ลวิภาวะวิภาวะป่าใช่จากถ้าเอาชนะความโกรธ <c oughs> ทําตามความโกรธทาตามกวามักทําตามความชังวิภาวะตัวนี้อันตรายเมื่อตัณหาการรมปัญหาเกิดขึ้นมีพบในกรมภาวะตัณหาแล้ววิภาวะตัณา ถ้มามันเกิดขึ้นมาไม่มีปัญญาไม่รู้แจ้งเกิดบีปวัตตนะในผู้แปลก็ว่าตัณหานทุกว่ามไม่มีไม่เป็นมันไม่ใช่บีปวะตต์ตัวนี้มันหมายถึงไม่รับผิดชอบถ้านทัศน์เกิดขึ้นข่มขืนมีพบในข่มขืนอยากได้ชับป้นขี้นีน่บีปวัตตนะ ถ้าโกดกห้าคนที่เราโกดวิภาวะตัณหาอันตรายมากไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นตัณหาเนี่ยควรไม่มีไม่เป็นเนี่ยไม่ถูกต้องอ่หลงตาแต่ะภาษาบาลีโคกนะบาลีโคกโคกนะวิภาวะตัณหาตัวนี้คําว่าไม่มีไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นนั่นดังที่หลงตาพูดนะเช่น ไม่มีเมตตาหรือเอาไม่มีไม่เปลี่ยนแสดงว่าไม่มีเมตตาคน่ะไม่มีศีลไม่ทําเลยไม่ใช่อ่าไม่หมายถึงภาสาคนภาษาธรรมภาษาคนอ่ะอืมแั้วก็เป็นอันหนึ่งภาษาธรรมอันหนึ่งนะหรือว่าตะหลาตนหนาี่ความไม่มีไม่เป็ี่นไหนที่เราจบเนี่ยอ่ก็มันก็ เขาก็ลองตาอพูดไปไม่มีไม่เป็นแล้วก็ผิดนีด่ว่ายังมีบิภะวันตนาถ้าจะมาพูดถึงตัวอริยสัจต่างไอ้ความไม่มีไม่เป็นเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เด็เห็นมันโกรธ ไ, ไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้โกรธความโกรธไม่มีความทุกข์มีอะโลภะอโทสะอโมหะเป็นกุศล ถ้เป็นโลภโทสะมีความโกรธมีความโลภมีความหลงอันนี้หรือเป็นความถุกไม่ใช่โลภะโมหะคือไม่หลงนะไม่หลงคือไม่หลงไม่หลงคือไม่เป็นไม่เป็นผู้หลงโทสะคือไม่โกรธอะไรไม่รู้นั่น ภาษาคำพูดเราจะให้เธอก็ปิดปากไม่ต้องพูดาหารอกขณะไหนเราที่เราฟังธรรมจักรน้ำตาเสื่มเลยฮัลโดาไปไปไปสวดธรรมจักรอยู่ที่อิสิปัตนะบริขารยวันนะมะโนภาพไปนั่งสวดไป อ่าว่าจะถูกอิจิปตนะตท่เหมือนว่าพระเจ้าประทับอยู่บรรจุขีนั่งอยู่พระเจ้าจะแรงดำอเอว่าไมุ่ต้องเอะกั ง, ง, กงสำยังพระว่าประราชียาพระประราพีปก็จ ะ, ะเหมือนจะเหมือนบ่าบรรจุขีนั่งอยู่ ไม่เจ้าสแสดงอยู่ จ, จนจบวันเจาสิวัตถะโพก่อนทันโยอนเจ้าสิวัตถะโพก่อนทันโยปจาสามอาการสิบสองในธรรมจักตรตมมาเลภพาเทวามโนจาัตว์โลกตื่นตกใจเลยหวั่นไหว เพ่งกวางในนั่นน่ะตื่นขึ้นมาเดินมัน <c oughs> ก็มีไม่มีกวางนะอยู่ในอิทธิปันณะนะมีกวางอยู่ทั้งหลายร้อยตัวนะมานพอมฉันลงหวานไหวโลโกโลกาอาโลโกผมว่าหลเจชัดจำงามนอปเตโลอรุษหวานไหว ป่าเยาฮตื่นขึ้นมาอไม่จริงๆพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นผู้ดแสดงผู้ลูก่อนในธรรมที่แสดงเป็นธรรมะบอกผิดบอกถูกมีอยู่ผู้ลู่ตามคือพระสงฆ์มีอยู่พระพุทธก็มีอยู่พระธรรมก็ไม่อยู่พระสงฆ์ก็ไม่อยู่ มีอยู่อยู่ที่ไหนก็มีพระเจ้าที่ไหนก็มีพระธรรมอยู่ที่ไหนก็มีพระสงฆ์มีอยู่จริงเราสวดเราได้สัมผัสกับพระพุทธเจ้าสัมผัสกับพระธรรมสัมผัสกับพระสงฆ์ผู้สวเสดเองสัมปัตเองแม้เราปฏิบัติธรรมนะ่าเราจะเลริญสติเราสัมผัสเอง ภาวะที่รู้ตื่นเห็นอะไรไม่หลงไม่หลับรู้ตือนพุทธะคือรู้รู้กาหนดรู้ดี๋ยวก่อนรู้ไม่ไม่หลับไม่ด้านไม่ดื้อกลมหลงก็ไม่ดื้อกลมสุก็ไม่ดื้อกลมทุกก็ไม่ดื้อเดยก็มันด้านนะหน้าด้านมนาะ ่มีความโกรธอยู่กับกับใจต่อเืินตลอดวันมันด้าด้านคิดก็น้าด้านด้านได้ยินเสียงก็น่าดั้นด้านไม่มีความรู้ในขณะที่ได้ยินเลยไม่มีความรู้ขณะที่มันเห็นไม่มีความรู้ขณะที่มันคิดหน้าด้านมาก ไม่ด่างไนพอไม่รู้จักอายเอาหน้าบดบูดไปให้ลกันดูไปอวดก็เออมึงไม่รู้จะ ก, กูโกรธเลยพูดออกมาเป็นคำพูดด้วยท่าทายแต่แดงออกมาเป็นโทสะร้อยกาดไม่กับัต่อาวุธคำมัดกัดฟัน ร่ายกาศเอามาอยู่เลยโกทะกันพออยู่ขึงเคียดไปหน้าบดบดเร่าโกทะนะโทษะนี่กรรมหัดกัดฟันจับปิตาอาวุธทำลายกันได้ไม่ว่าโทสะร้ายกาศมันเกิดจากใดโกทะโท่โะเกิดจากความหลง อะไรจึงไม่รู้เพราะไม่มีสติทำไมไม่มีสติเพราะไม่มีการฝึกหัดจะไประงับการโกเทโทสะเลยมันไม่ได้ต้นตอมันอยู่ที่ความหลงในโลกนี้มีคนสองประเภทน่าจะให้ลงตาพูดนะนะใช่ ไม่ใช่เป็นค น, นะคนอื่นพูดนะคนอื่นพูดอาจจะหลายคนอาจารพูดว่ามีคนสองคนไอ้ยช่สองคนสองก่งกาเพศใครบ้างอา่ะเพศที่หนึ่งรู้รเพศที่สองหลงใช่ไหมจะนับจากใครล่ะนับจากสภาวธรรมที่มันเกิดกับคน มีไหมคนที่รู้มีไหมคนที่หลงในโลกเนี่ยแล้วต้นตอมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หลงอยู่ที่รู้จึงทำผิดทำถูกดะถ้าหลงก็ทำผิดถ้ารู้ก็ทำถูกจะไปจับปัญหาชีวิตกั น, มนไม่ใช่ได้ว่าแค่ไหมถูกต้องมาเปลี่ยนสภาพคือมันหลงตัวเนี่ยแต่ไงคนจงึงหลกจึงจะรู้ นี่แหละคือมาทำตามพระตรรมกางสอนตองว่าพระพุทธเจ้ามีสติแต่ไม่ไม่มีสติเขาไม่ฝึกหัดแต่ไม่ไม่ฝึกหัดไม่ค่อยมีใครบอกครอยสอนอยย่ตั้งสามสิบปีไม่เคยมีใครสอนเลยให้ยกมือสร้างจังหวะยี่สิบเก้าปีไม่เคยมีใครสอน ไม่เดินจงกลมให้ยกมือช่างจังหวะมีแต่สอนในนังหลับตาในหลับลู่อะไรปิดท่องด้วยํำไปนี่ละอะไรเกิดขึ้นโกรธของูุทัาอะไรทำไมวุ่นวายมึงไม่รู้จะกูทำสมัยที <c oughs> บ่บังคับอะไรต่างๆดอกด้วยอย่าลบกวนปิดท่องไปย่าลบกวน บางทีก็แม่ลูกกอทำสมาธิตแม่ก็บอกลูกเดินเบาๆพ่อสู่ทำสมาธิในห้องพระมาทำไมสมาธิจึงถ่มกันเน่ะสมาธิรรมน้องแก้กละลุยเลยเข้มแข็งแล้วเนี่ยมีคนสองประเภทคนผู้หลงคนผู้รู้เท่านั้นเองแลวคนผู้หลงคนไป้รู้อยู่ที่ไหน ต้องขี้หมาตัวเองอยู่ที่เราเนะอย่าขี้ไปคนอื่นบุคคนอื่นอย่าไปโกรธคนอื่นอย่าไปลักคนอื่นเพราะเขาหลงเขาลูกมันอยู่ที่ตัวเขาถ้าจะโกรธคนที่หลงแล้วโกรธตัวหลงเราโกรธคนที่โกรธก็โกรธตัวหลงโกรธคนที่ดีก็รักคนที่ดีก็ Recently, ๆๆรักเขาไม่หลงถ้าโกรธที่คนไม่ดีก็โกรธที่เขาไม่หลง ก็ไม่โลกมีคนสงฆ์ประ เ, เท่าเนี้ยในโลกเนี้ยเดิวมันไม่ยากที่จะมาช่วยกันมาบอกมาสอนกันไม่ใช่เรามาบอกกันเดินเดินไปบอกนั่นเดินนั่นเดินไม่ค่อยบอกตัวดีกันมันก็ไปแมด่ดะเรื่องเราจังมากลเ่มสาวๆอยู่กับ ของเล็กตัวน้อยไม่ใช่ยิ่งใหญ่ไว้ใช้ อ, อันโดยอวดเดี <c oughs> ย๋ยวนี้เขาจะให้เป็นพระครูเป็นเจ้าคนต้องอวดงานกันปีหนึ่งสร้างอะไรได้บ้างหมดเงินเท่าไรรวมแล้วกะติเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนตาลาเท่านั้ น, น, นล้าน อันนั่นเจ้านั่นอันนี้เานี้รวมแล้วเท้านั้นล้านบาทลำดับไปย้อนปีสีป่ปีผลงานมีอะไรบ้างสำรวจนานวู้ยบ้านถ้าตั้งไงต้องกำสีป่ปีต้องประเมินประเมินไม่ประโยชน์อะไรคู่อะไรก็ตามต้องมีประเมินเอาผลงาน อวัตถุ <c oughs> มีให้เขาเขาเห็นถ่ายภาพลายทิศเหนือทิศใต้จับกตกักันออกหน้าหน้าบันหน้าหลังคาทรงอรันไาลายาวัตถุสร้างด้วยอันไล่อันไล่การบริหารสองชั้นสร้างโดยไม้หลังคากระเบื้อง ศาลาการก บ, บริการสองชั้นสร้างโดยควรจิตเสริมเหล็กรูปงทงถายถ่ายให้เขาไปเห็นเขาก็ตรวจ ด, ดูก็มีวัตถุให้เขาเห็นมีผลงานสรุปแล้วสีปีเป็นงานเท่าไหร่ไปขอเจ้าคุณไน้ยชั้นลาดชั้นทำ <laughs> นั่นเนี่ย งานเดือนนี้มันก็ไปน้นนะนะถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นสี่ใช่ไหมสี่หนึ่งสีสองสีสามสี่สิบสงสุดเหลือถึงสีเท่าไหร่ฮนะข้าราชการถึงสีเท่าไหร่นะอ่าสูงสุดกันเดือน4ี่หมืนห้าหมื่นเฉินก็มีเอาตอน้นทางบ้างวกกันถ้าเป็นใล้าการเป็นสอสอ เอาถนนน้นทางเอาเอาหลายนอนแต่ว่าพระเจ้าขี่ลงไป เ, เอเอ่เราได้ตัดสู้หมาก่อนเราไม่เคยได้รู้ได้เห็นเรื่องนี้มาก่อนเราเด้ทุแลาเพราะปัญจวิคีได้ยินว่าตัดสู้ยังหัวฟังเราเราี่แต่ัดสู้ไม่เคยเห็นนะ เล่าเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาอะไรเล่าเรื่องชีวิตของคนเนี่ยทุาเจ้าจะดงเรื่องนี่ยแล้วผู้ที่ฟังผู้มารูานี่เป็นคนดีเป็นาาพระสาวกจนเราได้กาบได้ไหวได้ตามรออยู่คนชั่วเช่นองคธิบาล ขอพระเจ้าให้รู้เรื่องนี้เข้าหมดพิษหมดภัยหมดความชั่วมีความดีกันมากๆหลายชีวิตแต่เป็นญาติป็นยมก็มีจำัยก่อนนะแล้วอะไรเพราะแค่ตรงที่สงประเภทนี้ภาวะที่หลงภาวะที่รู้เนี่ยเราไปงาที่ไหนกันพวกเรา เอาวันเวลาไปใช้อลานเวลานี้มันก็มีอยู่ตลอดมันหลงตลอดมันมีสติตลอดได้ไปไหนมาไหนก็มีสติหัดใช้ถ้าไม่สร้างจังหวะมาเดินยางกรมก็กำหนดไปกับการใช้จิวจ์ประจำวนันนอกรูปแบบก็ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมคือโต้โตบทุกท่วงเปลี่ยนร้ายเป็นดี ถาเปลี่ยนล้ายเป็นดีหรือว่าวิปัญนาไปเรื่อยๆไปวิปั จ, จนามีอยู่ทุกคนทุกแง่ปวดบ้านทุบบ้านที่มันลกลงล่องให้มันดีแปรงฟันอาบน้ำซักผ้าให้มันดีกว่าเก่าก่อยว่าใจาใจให้ดีกว่าเก่ามีเจนชีวิตว่างมีเหลี่ยมม้อยตัวเองได้บ้างเลิกสุบูรีเลิ ก, ลเลกกินเหล้า โลกสลุยสลอยเลิกพุ่มเพื่อพุ่มป่วยด้วยจ า, จาระเทศภายนอกภายนาเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมด่าไปเชื่อความคิดบางทีมันมีความคิดเหตุผลเหตุผลที่เราคิดได้อาจจะไม่ถูกต้องอ้ย เชื่อให้ดีๆเสียก่อนบางทีต้องคิดอะไรได้ทำตามความคิดแล้วก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเกิดผิดพลาดกับความคิดดีๆเอาไปขัดไปแย้งมีแต่คนคิดดีๆเหมือนประเทศไทยเวลานี้จะแท้ไข ร, รัฐมนูบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วย ได้ไงรัตนบุญนไม่ใช่การเมืองนะต่างคนไม่เห็นด้วยเนี่ยทะเลาะกันด้วยความคิดต่างไม่มีอะไรเลยทะเลาะกันด้วยความคิดตัวดีนะความคิดอน่ยถ้ามันก็ผิดพลาดพรความคิดถูกต้องเพความคิดนี่แหละแต่ความคิดที่ไม่มีสติมันอาจจะมีปัญหาได้ปัญญาขาดสติ อย่างลูกน้อง้อยเกินต่างข้างคอแม่มีปัญญานะใช่ไหมเอาน้ากดกอกลงไปเพื่อหิ้หลายต่างมีปัญญาไหมเหมือนไม่เคียน้อยเอาโซดาไปเทลงไปในช่วมหลงตามันไปกัดนะขยะตันอยู่ในท่อหลุดไปเลย <laughs> อันนี้ก็ ซวมไม่เป็นไรโสภาไฟตั้ามาทีทรองมันกัดแม่เลงในตัวลำคอเจ็ดเลยมันยามันกันแม่เอาลูก้ามกดกอกลงในคอลูกมันนํามจะต่างมันละลายหรือว่าคนมันตายลรกมันตายหรือว่าจะต่างมันหลุดออกไปนี่บอกดูคิดดูวเลงกวามักก็เหมือนกันนะ เลี้กับคนเป็นเพื่อนกันต่างคนก็รักดิงนี่ก็รักคนคนหนึ่งคนก็นอนหลับแมงบันมาใต่ที่หน้าที่หูที่คิ้วของเพื่อนคือคนนอนอยู่ลิงเมื่อก็โกรธแมงบันไอ้เนี่ยมันควรเพื่อนกูเว้ยกูต้องบูให้มันดูชั่งหน่ <c oughs> <c oughs> อยเออไปเอาขวนญนะ่ะ วันแบงวันเพรขวัญฟนลงไปแบงวันบินหนีแบงวันต่ยเลยเพื่อนตายหายความรักขาดสติแมงวันตายวิขนตายนี่ทั้งยวคืคนตายขวนญตั้งเรื่องฟันลงไปที่กบหูมันตายแล้วคิดดูสติเนี่ยขาดความรักขาดสติ วัญญาขาดสติก็ผิดได้เดี๋ยวนี้คนคิดเจ่งกันทั้งนั้นอย่าทำตามความคิดจนเกินไป <c oughs> ให้มีสติส ต, ติวัญญามันต้องออกจากสติจักคุ้งอันปติเห็นแล้วอย่านังอันถปติกำหนดรู้แล้วต้องรู้แล้ว อ, อะไรต่อไป จ, จ, จ, จาจกุ้งยานปัญญาแห่นปะย อ, อ น, น, นอโลกนิพพานอาโรโหโขาอสุดท้ายใส่สีส่อย่างหนึง่งโลกสงสงโลกหนึ่ ง, งไม่เข้าใจ <laughs> อธิบายเอาอหนึ่งลูสองสองละสามละได้แล้วสี่หมดไปแล้วพ้นจากแต่เป็นทุกข์ก็พ้นแล้วมีโลดมีโลดในโลดในโลดลมันมีสี่ระดับหนึ่งสองสาหนึ่งลูสองละสาม ทิธีที่ะละสี่ละไะไแล้วน่ะัาติจัจเจการสามอากา ร, ส, าาการสิบสองสามาจากสิบสองีส่สี่สามสิบสองเรียกว่าอาจัตจอันนี้เกิดจากคนถ้าคนมาเชี่ยวตรงนี้สักหน่อยนะมนันจะไม่ ผิดก็ผิดน้อยไม่กระทบกระเทือนหละไรตอนนั้นอย่าไปเชื่อความคิดอย่าไปเชื่อความเล่ความชังอย่าไปเชื่อความรู้ต้องเกิดจากสติแต่ติมันจะมีทั้งสี่ระดับหนึ่งรู้แล้วรู้แล้วหนึ่งกำหนดรู้แล้วไม่ได้านความหลงก็ไม่ได้านความทุกข์ความเล่าความชังไม่ได้านรู้ ผ่านไปแล้วนี่คือรักนี่คือช่างมันคืออะไรดูแจ่มีปัญญาอาเมน น, นี่ย่านแล้วดูแจ้งแล้วทําให้หมดไปอะไรที่มันไม่ถูกความโกรธทาให้ความโกรธหมดไปความหลงทําให้ความหลงหมดไปความทุกข์ทำให้ความทุกข์หมดไปนี่มันก็มีขั้นตอนอยู่ ถ้าเป็นความรักแบบขาดติมีปัญญาแบบขาดติมันก็ผิดพลาดได้เพราะนันคนเนี่ยเอาแต่ความคิดเอาแต่เหตุผลไปสกไปเถียงกันเหตุผลไม่ใช่ใจธรรมใจธรรมมันต้องเหนือเหตุเหนือผลไปอีกถ้าจะพูดถึงความหลงเนี่ยโอ้โหโก้ที่จุดลยน่าสนยผมผิด น่าสนใจความทุกข์น่าสนใจยิ่งไปถึงความโกรีดความโลภความหลงก็ยิ่งน่าสนใจย่าปล่อยปะเราเลยสติจะเคลียร์ไปเลยนะจะเคลียร์ไปเลยนี่เราศึกษาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ใช่เราจะปฏิเสธดังทำอยู่ช่วยบอกกันช่วยสอนกัน ให้เป็นหน้าที่ให้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าเราไม่ทำตรงนี้มันจะไม่มีอะไรที่หน้าเหลี่ยมหน้ากาบละไหว้ตัวเองได้เราจึงนี่แหละพื้นฐานของชีวิตของคนหลงมันมีสภาวะที่หลงมีสภาวะที่โลมีข้อนงวัเภศเท่านี้ อทุกคนออยู่ตรงนี้เอาใจใสใส่ใจตรงนี้บ้างอย่าปล่อยปล้วเลยตามตรงนี้ให้มันไปได้ก่อนหน้าเวียนหลงเป็นลูกก็ใช่ได้อ่าลูกเราต้องมีสติอย่าทิ้งสติไปไหนก็ต้องอย่าขาดสติสติเป็นพะละเป็นกําลังเกี่ยวข้องกับทําทุกข์ข้องวดธรรม เมื่อวันสองวันนี้ไปดูสามสอบวัดเราก็ไปสอบ <c oughs> เลยไปเยี่ยมสนามสอบแหมไพเลาะมากปัญหาข้อสอบไพรเลาะที่สุดแม่กองทำออกข้อสอบเลอโอ้ยทันสมัยยังอยู่ในหลักสูตรหลักสูตรนี่เป็นมาตั้งแต่เมื่อเอวัาใหม่สุดตั้งเอกังเรื่องสองพันห้าร้อย ก้าสิบกว่าปีเอามาเป็นหลักสูตรอยู่เสมอเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่เหมือนสูตรอย่าสีฝันสูตรอสบูลั่งเปลี่ยนเลยสูตรชื่อของคนนีดด่สูตรเดียวโสูตรเดียวในข้อสอบเออ ห, หลักสูตรถ้าใครได้หลักสูตรหรอตอบได้สอบผ่านไหนชวิตของเราก็มีหลักสูตร ก็ไกายมีเวทนามีจิตมีธรรมไม่หนีจากนี่ไปแต่ฉันก็แตกฉานตรงนั้นไหนหมวดธรรมก็แตกฉานอยู่ในเนี้ยนวะว่าก็บรินัยัญญาตโนุสัตต์แต่จางเนี่ยในคถามในปัญหานะ่ะเะยอดเดี่ยมมากออกมาจากการจากใจเราน้ยเช้นถามว่าสิกขากับสิกขาบทต่างกันยังไง ตอบตัวจีได้ไหมสิกขากับสิกขากบทต่างกันยังไงอธิบายพุทธบัญญัติกับอภิชม า, าจารย์ต่างกันยังไงอธิบายอ๋าก็หลักสูตรแท้ๆพุทธบัญญัติคือพระเจ้าบัญญัติไว้อภิชม า, าจารย์ม า, าทีหลังความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก ถ้าใช้ถูกูุทธมายาต่างเดียวมันก็ไม่ถูกเสมอไปเช่นเราเป็นคนดีไปอยู่ในกลุ่มโจรจะแสดงคนดีไม่ได้ต้องมีปัญญาคนโจรคนพานจะไม่ถือนำบัณฑิตเข้าไปได้มันก็ต้องมีปัญญามาเช่าว่าความถูกต้องประยุนหยาดเสมอไปบางทีความถูกต้องพูดไม่ได้ คนฆ่าตายพวกรถตกตยกเยอะแยะไปเลยต้องมีปัญญาเอาตัวรอดบ้างถึงข่าวงโอองโ่ๆโอ้ยโงูไม่เป็นฉลาดไม่ได้ต้องฉลาดแล้วต้องโง่เป็นโง่เป็นก็ต้องฉลาดเปลี่ยนได้ชีวิตของเราเนี่ยเนาะยินบ่ก็ถ่ายสังเกตแบบ้ังกัน